สา6จุหนึ่งถ้าภาวนาแล้วอยู่กับโลกไม่ได้แสดงว่าภาวนาไม่เป็นเราแปลกจากมาตรฐานของคนอื่นแต่เวลาเขาแสดงความเสียใจเราก็ตีหน้าเสียใจไปหน่อยนะเรียกว่าเราไม่ทะเลาะ ก, กับโลกแต่เราไม่หลงโลกตั้งหาพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดภิกษุทั้งหลายจงดูโลกอันวิจิตงดงามนี้เหมือนราชรสทรงของพระราชาที่คนโง่เขลาพากันติดอยู่เครื่องหมายคาพูดปิด แต่คนที่เป็นผู้รู้ไม่ติดหรอกเราอยู่กับมันได้ไม่เกลียดมันถ้าเราภาวนาแล้วเราอยู่กับโลกนี้ไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแสดงว่าภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาแล้วอยู่กับโลกได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่เห็นโลกนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโลกนี้ทุกลนล้วนอย่างนี้ดีแต่ความร้อนมันเข้าไม่ถึงตัวเราไม่ถึงจิตถึงใจใจมีความสุขความสงบอยู่ท่ามกลางความเร่าร้อนของโลกท่านพุทธทาท่านเปรียบไว้ว่า เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูลิ้นงูเลยไม่ถูกงูกัดตายอยู่กับโลกแต่ไม่ทุกข์นะ